ตอนนี้ก็ลำบากกันทั่วๆนะรู้จักกับว่าเพื่อนร่วมทุกข์ยังเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมทำท่าจะตายด้วยกันหมดสิ้นแล้วเนี่ยคนมันยังเบียดเบียนกันนะโดยธรรมชาตินะทุกคนก็กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์นะงี้นเราอย่าไปทำความทุกข์ให้คนอื่น เรามีชีวิตที่ไม่เป็นนี่ไม่สอาด ห, หมดจดเนี่ยชีวิตที่เบียดเบียนคนอื่นนะหาความสุขไม่ได้จริงหรอกรวยแค่ไหนก็ไม่มีความสุขมีอำนาจก็ไม่มีความสุขจริงๆคนมีอำนาจคนรวยไม่มีความสุขนะตอนนี้คนรวยรวยรุ่มใจเยอะแยะเลยโรงงานจมน้ำไปก็มีนะทาท่าจะจมก็มีลาบากลูกจ้างก็คนยา ก, กดจนก็ทุกข์อีกเนาะ ตกงานคือมันเป็นภาวะที่ทุกคนมีความทุกข์นีบางที่ไม่ฉลาดนะเห็นเพื่อนน้าไม่ท่วมก็ไปลือ้อเขื่อนให้น้ําท่วมเหมือนเหมือนกันถ้าน้ําท่วมเหมือนเหมือนกันแล้วใครจะช่วยใครตัวเองก็จะไม่มีใครเข้าไปช่วยถ้าบางพื้นที่ยังเหลืออยู่นะยังมีกําลังไปช่วยพวกที่ลําบากได้ ไม่ใช่เฉลี่ยความทุกข์กันแบบนั้นนะมันไม่ใช่วิธีของชาวพุทธในการแก้ปัญหาใครกลัวน้ำท่วมมาอยู่แถวนี้นะแถวนี้สูงแถวนี้ระวังอย่างเดียวเรื่องดินถล่มภูเขาแถวนี้นะเป็นทรายนะภูเขาเป็นทรายคนก็ชอบไปตัดต้นไม้อะ ที่หน้าผาเนี่ยถล่มลงมาเป็นแถบๆบน่ากลัวแต่เดิมรั้ววัดไม่มียังไม่ได้สร้างรั้วเวลาฝนตกเนี่ยสายจากเขาไหลเข้ามาในวัดสายจากวัดก็ไหลข้ามฟากไปทางนั้นไหลไปเรื่อยๆมีจุดนัดหมายอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระกัหนองคอ้อโลกมันพยายามปรับสมดุลของมัน ที่สูงก็เตี้ยลงนะที่ลึกลงไปก็ตื้นขึ้นมานะโดยธรรมชาตินะสิ่งทั้งหลายมันก็พยายามปรับสมดุลของมันเองอยู่จิตใจของเราก็ต้องคอยดูแลให้ดีนะอย่าไปยุ่งกับมันมากแต่ตามเรียนรู้มันไปมันจะค่อยปรับสมดุลของมันนะอย่างจิตหนี้ไปคิดเราค่อยรู้ทันนะนะจิตจะได้ค่อยเป็นกลางขึ้นมานะไม่หลงแรง แต่เดิมหลงแรงเพ่งก็เพ่งแรงหลงก็หลงแรงสุดโต่งแรงค่อยรู้สึกค่อยรู้สึกนะใจค่อยเป็นกลางเขาเรียอะไรนะช่องว่างความเบี่ยงเบนแคบลงเรื่อยๆความเบี่ยงของมันแคบลงเรื่อยๆใจไม่หวือหวายิ่งภาวนาไปใจลดความหวือหวาลงไปเรื่อยๆรู้สึกไหมไม่ค่อยหวือหวานะไม่ใช่เบี่ยงแรง รักก็แรงโกรธก็แรงนี่ยนี่ชาวโลกแรงมากขึ้นเรื่อยๆของเรามันค่อยๆเข้าหาจุดสมดุลจุดที่เป็นกลางมากขึ้นเรื่อยๆในความเป็นจริงแล้วจิตที่มันเหวี่ยงไปเวี่ยงมานะเพราะเราไปเบี่ยงมันเข้าให้เรามีสติรู้ทันมันไปเรื่อยนะเราไม่ไปเติมแรงเบี่ยงให้มัน ม, มันจะเข้าสู่จุดสมดุลของมันเองจะหยุดจะหยุดอยู่กับที่ หยุดอยู่กับฐานของมันงั้นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับจิตมากนะมัมีสติไว้เท่านะั้นไม่หลงตามแรงกระทบกระทั่งทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอารมณ์ที่ดีมากระทบในะจิตหลงยินดีนี่แหว่งละอารมณ์ร้ายมากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบจิตก็หลงยินร้ายนี่จิตแหว่งและวันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราหลงอยู่ในความยินดีหลงอยู่ในความยินร้ายนับครั้งไม่ถ้วน เพรนจิต น, นี่แขว่งตลอดเวลาเลยนะให้เรารู้ทันนะสิ่งที่มากระทบเป็นความสุขมากระทบนะเรารู้ทันใจไม่หลงยินดีความทุกข์มากระทบเรารู้ทันใจไม่หลงยินร้ายพอใจไม่ยินดีใจไม่ยินร้ายนะใจเข้าสู่ความเป็นกลางการเข้าสู่ความเป็นกลางของจิตนั้นทำได้หลายแบบทําด้วยสมาธิก็ได้นะ น้อใจให้นิ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับอารมณ์อื่นๆแต่มันมันมกจะหลงยินดีอยู่ในความสุขความสงบของสมาธิเองนั่นแหละนะอย่าติดอยู่ตรงนี้อีกทีต้องคอยระวังนะนี่เราคอยเรียนรู้นะอย่าไปแทรกแซงเขาเคยเห็นลูกตุ้มนาฬิกาไหมนาฬิกาโบราณแก่งอย่างเนี้ยเวลาลานมันหมดนั่นะไหมไม่ค่อยแคบลงลได้ในส่วนมันก็หยุด มันไม่แว่งเพราะไม่มีแรงผลักให้มันแข่งนะแรงที่ผลักให้จิตเราแข่งก็คือความยินดียินร้ายนั่นเองนี่ถ้าทำสมาธิจิตไม่ยินดียินร้ายก็ดีเหมือนกันนะแต่มันยังมีวิธีอย่างอื่นอีกที่ทำให้จิตเป็นกลางวิธีนั้นคือการเจริญปัญญานะเคยมีพระอินเกิดสงสัยธรรมะขึ้นมาแล้วรีบมาถามพระพุทธเจ้านะ พระอินเนี่ยมีธรรมชาติขี้ลืมลืมง่ายนี่อยู่ในพระตจปิฎกเลยงานเยอะวันวันหนึ่งเนี่ยต้องตัดสินคดีที่เทวดาทะเลาะกันเนี่ยเยอะมากเลยเทวดาทะเลาะกั น, นเช่นเจออาหารที่โผล่ขึ้นมาของท่านไม่ใช่ของผมอีกองก็ของท่านไม่ใช่ของผมทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้ต้องให้พระอินตัดสินพระอินก็บอก ไม่ใช่ของผมเหมือนกันวันวันหนึ่งนางงานเยอะนะอออองั้นพอท่านนึกสงสัยธรรมะนะขอไปถามพระพุทธเจ้าก่อนเดี๋ยวลืมรีบลงมาถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นแก่นแท้ของธรรมะคือจุดรวบยอดในคำสอนของพระธรรมวินยัยในคำสอนของพระองค์แล้วทำยังไงจะปฏิบัติ ให้เข้าสู่จุดนั้นได้อย่างรัดสั้นที่สุดนักบริหารไม่อ้อมค้อมนะถามก็ถามเข้าเป้าเลยอะไรเป็นจุดสูงสุดของศาสน า, าพุทธล้วทำยังไงจะเข้าสู่จุดสูงสุดนั้นได้เอาขอให้สั้นที่สุด mm hmm. พระพุทธเจ้าท่านก็ใจถึงแนละ้วท่านก็ตอบให้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอันนี้แหละคือธรรมะสูงสุดนะคือแก่นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลย ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรามาเขียนนะนะเรื่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นสาบาลีบอกอะไรนะสเพธธรรมานานังอภพินิเวสายะสเพธธรรมานานังอภพินิเวสายะอนนี้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าเนี่ยแกนทำคําสอนของท่านอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงได้เมื่อไหร่เราก็พ้นทุกข์เมื่อนั้นแหละวิธีที่จิตจะพ้นจากความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงเนะี่ย ท่านให้รู้เวทนาท่าสอนอย่างนี้เลยนะให้รู้เวทนาเราไปยึดในสิ่งทั้งปวงนะเพราะเห็นว่ามันนาความสุขมาให้บ้างนําความทุกข์มาให้บ้างถ้าเราเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงนะความยินดีในความสุขความยินร้ายในความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสุขในทุกข์นะจิตก็ไม่แกวนะ่งสิจิตก็ค่อยๆคลายความยึดถือสิ่งต่างๆออกเราไปยึดสิ่งต่างๆเพราะว่าเห็นว่านําความสุขมาให้ หรือเห็นว่ามันนําความทุกข์มาให้ถ้าความสุขความทุกข์ไร้สา ร, าสระซะแล้วจิตก็จะไม่ไปยึดถือเฉะั้นถ้าเมื่อไหร่นะเวทนามันทํางานได้ไม่เต็มที่ตัณหามันก็ไม่เกิดนะถ้าเวทนามันทํางานขึ้นมาตัณหาคือความอยากก็เกิดตัณหาเกิดนะจิตก็เข้าไปยึดถือเรียกอุปาทานนะไปหยิบฉวยเอารูปธรรมนามาทำขึ้นมาเรียกว่าชาติเรียกว่าทุกขนะ์ตามมาเป็นแถว งั้นท่านสอนให้รู้เวทนานะบอกเนี่ยเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดละเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกาย ก, ายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันสิ่งที่ท่านสอนให้ทําคือการตามรู้เวทนานะท่านใช้คําว่าตามรู้นะตามเห็นตามเห็นเนืองเนืองซึ่งเวทนา ภาษาบาลีใช้ว่าเวทนานุปัสสีปัสสีปัดตัวตัวปัสสะตัวปัสนะตัวปัสนาเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยแปลว่าเห็นนะเวทนานุปัสสีอนุปัสสีอนุภวะตามตามเห็นเนืองเนืองซึ่งเวทนาเวทนาเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ พอกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นที่จิตให้เรารู้ทันการตามรู้ทันเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนะีเมื่อเห็นบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเวทนาทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยง การตามเห็นความไม่เที่ยงเนืองเนืองเี่ยเรียกว่าอ น, นิจจานุปัสสีรู้จักอ น, นิจจามั้ยอนิจจาวัตสังขาราอ น, นิจจานุปัสสีเมื่อมีอ น, นิจจานุปัสสีนะเห็นแล้วว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวนะสุขก็ทุกข์กับเฉยๆอะไรนี่ชั่วคราวหมดเลย ความหลงยินดีในความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าของชั่วคราวความหลงยินร้ายในความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าชั่วคราวอย่างพวกเราบางคนมีความทุกข์มากหลวงพ่อเลยสอนคาถาให้ให้ท่องไว้ว่าไม่นานมันก็ผ่านไปอันนั้นก็คือการพยายามมองมันในแง่ของอนิจจังนั่นเองนะความทุกข์ไม่นานก็ผ่านไปเหมือนกันนั้นถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เราก็ไม่ทุกข์ใจเป็นกลาง ความสุขเกิดขึ้นพวกเราให้บอกว่าความสุขอยู่ช่วงคราวก็ผ่านไปเขาไม่ค่อยมีใครอยากได้อยากให้อยู่นานๆงั้นเวลามีความทุกข์น่าจะขยันภาวนาเวลามีความสุขมักจะหลงระเริงเนี่ยจุดอัพับนะอัพับมากเลยเวลาสบายแล้วก็ไม่เอาเวลาจะตายมีตายแหล่นะจะภาวนายังไงจะท้องพระอรหันต์ดีไหมอรหันต์อรหันต์น ให้เรารู้เวทนาไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบอย่าไปห้ามมันเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันเกิดเฉยเฉยให้รู้ทันเมื่อรู้ทันนานไปมันจะเห็นเลยว่าความสุขทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากการกระทบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ชั่วคราวความเฉยเฉยที่เกิดจากการกระทบอารมณ์ต่างๆก็อยู่ชั่วคราว ความสุขความทุกข์ความเฉยๆชั่วคราวนี่เรียกว่าเห็นอนิจจานุปัสสีเมื่อมีอนิจจานุปัสสีเห็นซ้าเห็นทร้างเห็นบ่อยๆจะเกิดวิราคานุปัสสีความอยากจะลดลงจะอยากอะไรคนในโลกนี้ก็อยากมีความสุขอยากหนีความทุกข์ก็อยากอยู่แค่นี้แหละก็ถ้าเห็นว่าความสุข ข, ของชั่วคราวจะอยากมันทำไมความอยากก็จะหายไป เห็นว่าความทุกข์เป็นของชว่วคราวอยากจะให้พ้นจากมันก็หายไปชั่ชวคราวไม่ต้องไปไล่มันหรอกนะความอยากค่อยคลายออกใครออกเรียกว่าวิราคานุปสัสสีถ้าวิราคานุปัสสีเดินได้เต็มที่ น, ะนี่โรธานุปัสสีคือนิโรธนะก็จะตามเห็นนิโรธขึ้นมาเห็นความดับสนิทของทุกข์ขึ้นมา นะที่แรกก็ดับชั่วคราวก่อนนะอย่างใจเราหลงยินดีมีความสุขขึ้นมาเรายินดีพอใจรู้ทันมีความทุกข์ขึ้นมาเรายินร้ายเรารู้ทันนะใจใจคลายออกใจคลายออกใจก็ไม่ดิน้นะใจไม่ดิน้นนะใจดับจากความดินน้นระนนี่ก็เป็นนิโรดนะเป็นนิโรดอ่อนๆนิโรดต้นๆนนะนิโรดนั้นะมี5อย่างนะดับนะเพราะสมถะก็เป็นนิโรดอย่างหนึ่ง ดับเพราะวิปัสสนาก็เป็นนิโรธอย่างหนึ่งอย่างกิเลสเกิดเรารู้ทันว่ามันไม่เที่ยงความทุกข์ความสุขเกิดเรารู้ทันว่าไม่เที่ยงนะใจไม่ปยินดียินร้ายนะดับลงไปอันนี้ดับเพราะวิปัสสนายังมีอีกสามดับคือดับเพราะมรรคดับเพราะผลและดับเพราะนิพพานเพราะงั้นนิโรธเลยมีหตัวดับเพราะสมถะดับเพราะวิปัสสนาดับเพราะมรรคดับเพราะผลดับเพราะนิพพานดับเพราะมรรคดับเพราะผลนี่จะเกิดต่อกันในฉับพลัน ดับด้วยมากหนึ่งขณะจิต ต, ต่อด้วยดับด้วยผลสองสขณะจิตนะส่วนดับด้วยนิพพานนี่มันเป็นความดับรอบดับสนิทถ้าเมื่อไร่จิตของเราปราศจากตัณหาโดยสิ้นเชิงเพราะมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้แจมแจ้งในอริยสัจ ร, รู้ในกองทุกข์ว่าขันทั้งหลายเป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้ขันเป็นสุขไม่มีความอยากให้ขันพ้นทุกข์ไม่มีเห็นไหมตัวสุขตัวทุกข์นี่แหละตัวผล พอความอยากให้ขันเป็นสุขไม่มีความอยากให้ขันพ้นทุกข์ไม่มีจิตไม่ปรุงต่อเลยนะความปรุงแต่งไม่มีเพราะงั้นถ้าอาวิชชาดับนะเพราะว่ารู้แจ้งแล้วว่าขันทั้งหลายเป็นตัวทุกข์อวิชชาดับตัณหาก็ดับความอยากจะหายไปตัณหาดับนะอุปาทานความยึดถือก็ดับภพบชาติและทุกข์ก็จะดับตามกันไปนะจะดับสนิทแห่งทุกข์ก็ตรงนี้เองนะแล้วพวกเรามาหัด ในพระเจ้าท่านสอนพระอินทรสั้นนิดเดียวนะท่านสอนให้รู้เวทนาตามรู้เวทนาเนืองเนืองเรียกเวทนานุปัสสีก็จะเกิดความจางคลายเรียกว่าวิราคานุปสัสสีรู้ความจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะพอคลายกำหนัดนะใจก็เข้าถึงนิโรธานุปสัสสีพ้นทุก์ไปนะจิตจะสลัดคืนความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงนะเรียกว่าปฏิสักคานุปสัสสีคืนคืนขันห้าให้โลก พระอินนะั้นได้ยินละสาทุเสียงดังเลยปราบรื้มใจถามแล้วพระพุทธเจ้าตอบนี่แหละสุดยอดวิชาของพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะ ส, สูงสุดเลยนะต้องว่าทำทั้งปัวไม่ควรยึดมั่นจะไม่ยึดมั่นได้ให้รู้เวทนาจนเห็นเลยสุขทุกข์มันไม่เอาไหนแนละมันเกิดแล้วดับความอยากก็จะหายไปความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนี่พระอินน์โมทนาเสียงดัง ในเชตวันนี้มีพระที่ได้หูทิพย์อยู่นะคือพระโมคคลาท่านได้ยินพระอินมาถามพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ยินคําตอบของพระพุทธเจ้าได้ยินอีกทีหนึ่งตอนพระอินสาธุทําไมไม่ได้ยินที่พระพุทธเจ้าสอนพระอินเพราะว่าพระพุทธเจ้าจงใจสอนพระอินไม่ได้จงใจสอนคนอื่นท่านเลยไม่ได้ยินท่านก็เกิดสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตอบอะไรนะพระโมคคลามีฤทธิ์เยอะนะท่านขึ้นไปดาวดึงเลย พระอินทร์กำลังจะเล่นกีฬานะเห็นพระโมคคลามานะหยุดหยุดยุดในะพวกร้องราทําเพลงให้หยุดก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเวลาหลวงพ่อเข้าไปที่ไหนนะคนกําลังเฮฮานะหยุดหมดเลยนะเราไม่ใช่โมคคลานะแล้วโยมก็ไม่ใช่พระอินหรอกแต่ก็แบบเดียวกันนะพอเห็นพระแล้วก็ทําเป็นเรียบร้อยให้ดูดี น, ะนีจริงร้ายนะแต่ทําให้ดูดี <c oughs> พระโมคคลาถามพระอินว่าพระพุทธเจ้าตอบอะไร พระอินทร์บอกจําไม่ได้คะก็บอกแล้วว่าท่านขี้ลืมท่านอุตส่าห์สงสัยแล้วรีบมาถามนะเพราะท่านกลัวลืมพราได้คําตอบแล้วขึ้นไปนั่งท่านลืมเรียบร้อยแล้วนะจริงก็คือใจจดจ่ออยากจะไปเล่นอยากจะไปเล่นกีฬาพระโมค ok คลาท่านก็แสดงฤทธิ์นะทำให้ปราสาสตของพระอินทร์สะเทือ น, นใช้ ก, ส, นนชกสินนั่นแหละใช้กสินน้ํำเพ่งกระสินน้ําลงไปที่ใต้ปราศาสตร์นะ สาษจะโครงได้นะถ้าเอาเท้าแตะนะภาษาก็ไหวพระอินทร์ก็เลยรู้สึกว่าโอ้สวรรค์ของเราเนี้ยไม่เที่ยงแฮสวรรค์ของเราไม่ยั่งยืนจริงหรอกใจสลดลงมานะเกิดนึกขึ้นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นปิ้งขึ้นมาเลยตอบพระโมคคลลาได้นะพระโมคคลลาก็จําที่พระอินท์ตอบแล้วลงมาถามว่าถามพระพุทธเจ้าว่าพระอินท์ตอบถูกไหมจําไว้ถูกไหมท่านบอกตอบถูกจําถูกแล้ว งั้พวกเราถึงไม่ใช่พระอินนะเราก็เอาธรรมะ น, นี้ไปใช้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ามีความสุขแล้วหลงยินดีให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหลงยินร้ายให้รู้ทันนะเข ร, รู้อย่างนี้นะจิตจะหมดแรงดิ้นหมดแรงแขว่งหมดความอยากนั่นเอง ตัณหานั่นแหละที่ทำให้จิตเคลื่อนไปตามภพต่างๆตัณหาเป็นผู้สร้างภพนะถ้ามีสติมีปัญญาขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงนะของเวทนาเนี่ยตัณหาก็ดับนะเพราะเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาเป็นปะัจจัยของตัณหาถ้าเวทนาสิ้นฤทธิ์แล้วตัณ ห, หาทำงานไม่ได้ตัณหาทำงานไม่ได้อุปาทานทางานไม่ได้ภพทางานไม่ได้ชาติทางานไม่ได้ทุกทำงานไม่ได้ งั้นหัดต่อนาอย่างนี้สั้นๆแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านบอกนี่สั้นที่สุดนะสั้นที่สุดลนะใครจะหาทางลัดอะไรก็หาไปนะแต่อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางลัดเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เจอพระสูตรนี้นะยังอ่านหนังสือมาคงอ่านแต่ว่ามันผ่านเวลาใจเราไม่ถึงกับธรรมะอันนั้นนะเวลาเราอ่านแล้วเราจะผ่านหรือได้ยินก็ผ่านไปนะมาอ่านทีหลังมาได้ยินทีหลังพอใจเรามันเหมาะกับธรรมะอยานี้มันก็เข้าใจขึ้นมาสนใจขึ้นมา งั้นเมื่อก่อนเคนมาถามหลวงพ่อว่าทางรัตอยู่ตรงไหนหลวงพ่อตอบตอบไม่ได้อ่ะรู้สึกแต่ละคนมันก็รัดกันคนละทางแต่ว่าตอนเนี้เรามีทางรัตสากลแล้วนะพอพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ตามรู้เวทนาเวทนาทางกายไม่เท่าไหร่หรอกเวทนาทางใจนี่แหละตัวสร้างพพตัวดีนักแหละอย่างร่างกายเจ็บปวดใช่ไหมใจก็พลอยเจ็บปวดไปด้วยรู้ทันใจนี่เลยนะเวทนาที่ใจงั้น หลวงปู่ดูลบอกดูจิตในรัดสั้นก็ถูกเหมือนกันเพราะเวทนาเกิดขึ้นที่จิตนะถ้ารู้อยู่ที่จิตก็จะเห็นเวทนาของจิตตามองเห็นเวทน า, าก็เกิดยังเห็นอันนี้มีความสุขเห็อย่างนี้มีความทุกข์นะอย่างบางทีไฟไหมนะ้เห็นไฟไหม้มีความสุขไหมคนจํานวนมากมีความสุขนะชอบไปดูไฟไหม้นะมีความสุขนี่นะแต่พอไหมใกล้บ้านตัวเองมีความทุกข์ใช่ไหม ตามองเห็นมีความสุขให้รู้ทันตามองเห็นมีความทุกข์ให้รู้ทันหูได้ยินเสียงมีความสุขให้รู้ทันหูได้ยินเสียงมีความทุกข์ให้รู้ทันใครเคยได้ยินเสียงหมาแล้วดีใจไหมมีไหมสมัยหมาเราหนีไปเที่ยวนะไม่ยอมกลับบ้านหลายวันวันหนึ่งกลับมาบ้านมาเห่าบล็อกๆอกดีใจนะหมากลับมาแล้วรถยังไม่ทับตายอย่างดีนึกไม่ถูกจับไปทําลูกชิ้นกําลังจะนอนแล้วหมามาบ board, ม ล, ล็อกๆไม่เลิมเลิกอะ เนี่ยเกิดโทสะแล้วไม่ชอบหูได้ยินเสียงนะมีความสุขก็ได้มีความทุกข์ก็ได้จมูกได้กลิ่นมีความสุขก็ได้มีความทุกข์ก็ได้ถ้าได้กลิ่นหอมเป็นยังไงมีความสุขแน่ใจนะพรุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นบางคนได้กลิ่นเหม็นมีความสุขก็มีนะยกตัวอย่างมีคนบ้านอยู่ใกล้ส ม, มอยู่ใกล้คลองน้าเน่า แล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศนานเลยไม่เคยได้กลิ่นน้ำเน่านะกลับมาถึงบ้านได้กลิ่นเหม็นๆของเมืองไทยเนี่ยดีใจนะโอ้แทบจะจูบแผ่นดินที่แสนเหม็นเลยเอ่ะก็มันเหม็นๆอย่างนี้มันดีใจนะมันคุ้นเคยเงนี้นนะงั้นเมื่อจมูกได้กลิ่ น, นบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์แต่ตอบไม่ได้หรอกว่าได้กลิ่นอะไรมีความสุขได้กลิ่นอะไรมีความทุกข์ ถ้าจะตอบต้องตอบว่าถ้าได้กลิ่นที่พอใจก็มีความสุขถ้าได้กลิ่นที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์เราอย่าไปตอบนะว่าได้กลิ่นหอมมีความสุขได้กลิ่นเหมน็นมีความทุกข์เพราะหอมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนได้กลิ่นน้ำหอมนะอยากจะอาเจียนเลยใช่ไหมมีห ม, มีหอมงั้นต้องตอบธรรมะต้องตอบให้ชัดนะไม่งั้นราจะดิ้นไปดิ้นมาได้กลิ่น ที่พอใจนะก็มีความสุขเนื่ออิทธารมได้กลิ่นที่เป็นอนิถารมเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีความทุกข์ให้รู้ทันลงไปแม้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความสุขความทุกข์มันเกิดที่จิตเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยต่อไปก็จะเห็นเลยความสุขชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวพอเห็นได้อย่างนี้นะความอยากจะหายไปความอยากจะหายไปจะเห็นนิพพานเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานะจะสิ้นตัณหาด้วยปัญญา เห็นว่าความสุขความทุกข์ก็ชั่วคราวนี่พ้นไปด้วยปัญญาเข้าใจไหมเข้าใจแล้วไปทําเอานะไหนๆมาแล้วหลวงพ่อฤทเทศเยอะหน่อยวันนี้เตรียมไปเตรียมใจไว้เพราะว่าสิ่งที่พวกเราจะเผชิญต่อไปเนี้คือความทุกข์ล่ะความทุกข์เพราะบ้านแตกสแลกขาดความทุกข์เพราะตกงานความทุกข์เพราะไม่มีจะกินมีเงินก็ไม่มีของให้กิน ความทุกข์เพราะโรคระบาดเตรียมไว้หัดภาวนาไว้เผื่อจะเป็นพระลรหันในกองทุกนี่แหละเชิญรับธรัมสการค่ะมาอยู่วัดก็มีสติมากขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงไหมคะที่ทำทบ่อยๆสิกลับบ้านก็ให้เหมือนเหมือนอยู่วัดนะล้วก็จะได้มีสติบ่อยๆต่อไป มาสการค่ะพระอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าให้ตามมองก็เมื่ชาปวดหัวมากแล้วก็มองไปนี่เหมือนพิยามองที่หัวมันก็เป็นโล่งไปหมดอืแล้วก็ไม่เห็นจุดที่ปวดแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้จะปวดที่หัวก็ไม่ใช่อืแเพราะความปวดกับหัวนะคนละอันกันนึกออกไหมความปวดเป็นเวทนาโล่งแบบเห็นแบบสว่างแบบ ทำไมตอนนั้นหายปวดทำไมตอนนั้นหายปวดรูไ้ไมเพราะตอนนั้นเราจงใจไปดูในขณะที่เราจงใจดูรูปเนี่ยความรู้สึกทางร่างกายไม่มีความปวดก็เลยไม่แสดงขึ้นมานะจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ได้ปวดเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเราปรวดร่างกายเห็นไหมว่าความปวดก็ชั่วคราวนะเห็นไม่เกิดดับได้นะนะไปฝึกต่อ จนใจเห็นเลยความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุ ข, ขก็ชั่วคราวอ้าวชัยจะส่งกันบ้านใครที่มาไกลๆมีไหมมาจากไหนจาอเมริกาไกลไหมอ่ะไกลเชียงใหม่ไกลไหมเอาไกลเอาเอ า, เอาที่ไกลๆ ก, ก่อนเนี่ยเขามายากอ้านมันสการคะ่ะอาจารย์เมื่อวานนิยมส่งกันบ้านไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็วันนี้รู้สึกว่าประคองน้อยลงค่ะแล้วก็เมเื่อเช้านี้นั่งสมาธิก็รู้สึกถึงพลังที่หน้าผากแล้วก็ความร้อนแผ่ไปแต่ว่ายังมีความคิดอยู่คือรู้สึกว่าตัวเองนะนั่งอะค่ะเออรู้สึกก็รู้สึกไปรู้สึก<ป>ว่าตัวเองนิ่งแต่ว่ายังมีความคิดอันนี้ถือว่านิ่งหรือเปล่าคะคืออย่าไปสนใจตัวนั้นนั่งไปแล้วมีความสุขให้รู้ทันนั่งไปแล้วมีความถูกให้รู้ทันเคยรู้อย่างนี้ดีกว่า ดีกว่าจะรู้ว่านิ่งหรือไม่นิ่งดีกว่าจะรู้ว่าแล้วความคิดที่ยังอยู่ล่ะฮะก็ความคิดจิตมีหน้าที่คิดเขาอยากคิดก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะจิตไม่ใช่ตัวเราเหรอกพระอราหันต์คิดไหมคิดคะ่ะโอ้แล้วเราจะไปไล่ความคิดทําไมพระอราหันต์ท่านยังคิดเลยแต่ว่าเท่าที่ศึกษาจากซีดีของอาจารย์เวลาที่มีความคิดเนี่ยให้รู้ทันใช่ พราะฉะั้นเยคือโยมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกระเพิ่มไปตามลมหายใจด้วยรู้ไปจิตกระเพิ่มอยู่รู้ว่ากระเพิ่มอยู่นะที่ที่หลวงพ่อสอนเรื่องให้รู้ทันความคิดเพราะอย่างนี้คนในโลกเนี่ยปกติหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเข้คอยรู้กายรู้ใจเราไม่ได้ห้ามความคิดหรอก แต่ว่าความคิดเกิดขึ้นเราไม่อินไปกับมันแค่เรารู้ทันมันเราจะไม่อินไปกับมันอย่างความคิดเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันนะเดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาถ้าตรงที่จิตหนีไปคิดรู้ไม่ทันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมารู้ทันก็ยังดีถ้าตอนสุขทุกข์รู้ไม่ทันนะเกิดกุศลอกุศลขึ้นมารู้ทันก็ยังดีแต่ถ้าดีที่สุดเลยจิตไหลไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้จะเห็นเลยว่าจิตมีอยู่2อย่างนะจิตลงกับจิตรู้ เนะนี่ยจิตแค่เห็นจิตหลงกับจิตรู้ไปด้วยนะก็เห็นเกิดดับแล้วแต่ถ้าถ้ารู้เรื่องที่คิดนี่คือหลงไปกับความคิดอนนั้นมันมีบัญญัติมีมสมมุติบัญญัตนะิแล<ม>้วนะแต่ว่าให้ไม่ห้ามนะเขา<ม><ม>คิดไปแล้วเรามีความสุขรู้ทันเขาคิดไปแล้วมีความทุกรู้ทัน<ค>เราไม่หลงเวลาหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยความสุขเกิดขึ้นก็ไม่รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่รู้<ม>โลภกรดหลงเกิดขึ้นก็ไม่รู้ตัวนี้ต่างหากที่ห้าม ไม่ได้ห้ามคิดค่ะแต่พระพมันคิดไปแล้วเกิดสุครู้ทันใช้ได้เกิดทุกรู้ทันใช้ได้เกิดกุศลอกุศลรู้ทันใช้ได้คอะไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คิดปัญหาอยู่ที่หลงไปตามความคิดหรือเปล่าอคือผมเป็นคนหัดใหม่ครับผมเลยอยากจะถามเพราะว่าจะเริ่มต้นดูอะไรก่อนดีครับผมรู้สึกตัวก่อนถือศีลห้าไว้ ถือศีห้าแล้วก็รู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้จักใจลอยไหมครับเออถ้าใจลอยแล้วรีบรู้ทันไวๆอย่าให้ใจลอยนานวิธีช่วยไม่ให้ใจลอยนานนะก็ะหาอารมณ์กรรมฐานมาให้จิตอาศัยจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้พุทโธไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนีไปคิดรู้ทันนะไม่เพ่งเอาไว้ไม่บังคับจิตด้วยอย่าไปเพ่งจิตนะปล่อยให้มันทํางานไปแต่ว่ามันไหลไปแล้วรู้ พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตหนีไปแล้วรู้แค่นี้พอละไม่ต้องห้ามหนีหนีได้แต่หนีแล้วรู้เอาถ้ากลัวมันหนีเราจะไปเพ่งใช้ไม่ได้จําไหวไหมอะไรนะครับจําได้ไหมส่วนมากเรามาถามได้บ้างไม่ได้บ้างครับฮะได้บ้างไม่ได้บ้างครับตื่นเต้นท่านนั่นนหะสิมากกับใครมากกับ น, น้าครับไหนน้าอยู่ไหนเออช่วยกันจำนะช่วยกันจำ ถ้าเกิดเผลอไปแล้วมานึกได้ทีหลังว่าคิดไปอนีครับเออตอนนั้นแหละดีแต่คนส่วนมากมันเผลอนานเผลอทีหนึ่งห้าชั่วโมงอะไรงี้ยนานไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพุโทโธเป็นเครื่องอยู่นะพุโทโธพุธโทโธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันมันจะไม่หลงนานหายใจอยู่แล้วจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันเนี้ยจะไม่หลงนานเะฉนั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตซะพระจิตทิ้งเครื่องอยู่เช่นเราอยู่กับพุโทโธจิตทิ้งพุโทโธเรารู้ทันจะไม่หลงนานนะอย่าไปเพ่งนะ ของครับให้นาช่วยจํานะให้น้าช่วยจําไหมหรือนาก็จําไม่ได้กราบนมาสการค่ะสองปีที่แล้วมากราบหลวงพ่อแล้วก็ส่งกันมนาเห็นความเ <ละ S 1> ปลียปล่ยนแปลงของจิตไหมเมื่อกี้รู้สึกว่าตึงๆอยู่ค่ะแล้วชีวิตของเราเนี่มีความเปลียปล่ยนแปลงบ้างไหมเปลี่ยนไปโดยความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะใช่ ดีแล้วละที่ทําอยู่ทีนี้ที่ลืมถามครั้งที่แล้วคือพยายามหาจริตของตัวเองค่ะแต่ครั้งที่แล้วที่มาหลวงพ่อบอกว่าจะหลงไปบ่อ ย, อยอสรุปแล้วเป็นโมหะหรือเปล่าคะ <พอ S 1> ใช่<า>อีกอันหนึ่งนะตัวรองลงมาก็คือตัวราคะจริตเราเป็นคนรักสวยรักงามรักสุขรักสบายเพราะเราคอยรู้ทันเลยจิตมันชอบอันี่ขึ้นมารู้ทัน จิตชอบไปนี่ขึ้นมารู้ทันเห็นได้นี่สวยก็ชอบเห็นได้นี่สวยก็ชอบอะไรเงี้ยรู้ทันมันไวๆนะเราก็จะพาวนาได้ชํานาญขึ้นทีนี้ยอมพยายามจะทําในรูปแบบนั่งสมาธิบ้างแต่เหมือนเหมือนจิตจะไม่เอาอะค่ะอืมจิตไม่ยอมเอาฟุตโธก็ไม่เอาเออเคยดูเคยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆก็ได้เราเป็นคนที่รักในรูปของเรามาก แล้วก็คอยรู้สึกในร่างกายนี้บ่อยๆแล้วก็ถ้าความอยากใดๆเกิดขึ้นที่จิตแล้วคอยรู้ทันไวๆเราภาวนาต่อไปอย่างนี้เลยช่วงนี้ความเบื่อที่เกิดขึ้นนี่ยังเป็นความเบื่อจากกิเลสเยอะๆราคามันยังเบื่ออย่างนี้จะเอาอย่างน้นอยู่ใช่ค่ะถ้าเบื่ออย่างนี้เบื่อกิเลสถ้าเบื่อนิพพานเนี่ยเบื่อสุขเบื่อทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีเบื่อชั่วเท่าๆกันไม่ใช่เบื่ออันนึ่งจาอันนึง ของหนูยังมันจะไม่เอาวันนี้จะอวันนี้อยู่ค่ะอย่างนั้นใครเขาก็เบื่อเบื่อเบื่อทุก็ชอบสุขอะไรเงี้ยธรรมดาค่ะไปฝึกต่อไปก็คือทำอย่างที่ทำทาอยู่อย่างนี้แหละยังพัฒนาอยู่ค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้นะดีกลับขอบคุณค่ะกบนมัสการค่ะโยมฝึกแยกธาตุขันไม่ทราบว่า ถูกต้องใช่ไหมคะหลวงพ่อจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้รู้สึกจิตมันออกไปข้างนอกนิดหน่อยค่ะโอแล้วบังคับอยู่หรือเปล่าบังคับค่ะรู้สึก<อ>ว่าเกร็งๆค่ะเห็นไหมว่าจิตที่เกรงความรู้สึกเกร็งๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้ดูออกไหมดูออก้าค่ะเออถ้าดูออกก็แยกขันเป็นหละอ๋อเจ้าค่ะเป็นร่างกายไปยักหน้าไหมเห็นเจ้าค่ะเอออย่างเนี้ยแยกขันเป็นเจ้าค่ะ แล้วก็เวลาฝึกนี่เวลาความคิดมันออกไปพอจิตรู้บางทีมันกลับมาอยู่ข้างหน้าตัวบางทีมันกลับมาอยู่ที่ตัวแล้วก็จิตอีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่ามันมันสะเทือนตลอดเวลาเนี่ย ม, มันมันรู้สึกว่ามไม่สบายเออนั่นแหละมีแต่ทุกข์นะมันทำงานตลอดเลยมันไหวตัวอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนนะกระทบอารมณ์แล้วก็ไหวไห ว, ไ ว, ไวอยู่ นั่นแหละทุกทรั้งนั้นเลยดีแม้กระทั่งว่าจิตอยู่ตั้งมั่นอยู่แต่ความรู้สึกตรงนี้มันก็ยังสะเทือนสะเทือนอยู่ไงค่ะดูไปยังเป็นกลางแต่ว่าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เป็นธรรมดาแล้วความเป็นกลางนี่ยังยังไม่ค่อยไม่ดีสิมีโทสะแทนไม่ชอบมันอ๋อเจ้าค่ะแต่มันเดือดไปเรื่อยๆปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอคะเจ้าค่ะดูมันจนเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอก แต่มันทำตลอดเวลานะห้ามไม่ได้หรอกที่หายใจตลอดเวลายังไม่ว่าเลยแล้วจิตจะไหวตลอดเวลาไปว่ามันทำไมอะอ๋อ่ะ <c oughs> แล้วขอการบ้านเพิ่มเจ้าค่ะไปดู <c oughs> ไปใจยังไม่ยอมรับมันยัง <c oughs> ปฏิเสธมันอยูอยากให้มันนิ่ง อ, อเจ้าค่ะนะไม่ยอมรับที่มันไหวจริงๆไหวทั้งวันทั้งคืนแหละค่ะเราจะรู้นะพอภาวนามากข้าวมากข้าจะรู้เลยนอกจากทุกไม่มีอะไรเลย มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นไหมไหวแล้วทุกข์เห็นไหมจะค่ะทุกข์ จ, กจิต ท, ที่ไหวนั่นแหละที่ว่ามันปรุงแต่ง<ม>สังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายสงบซสได้ทีนี้จะเป็นสุขนะแต่จะสงบได้ต่อเมื่อเราเป็นพระอราหันต์เท่านั้นแหละพระนาคาก็ยังไหวอยู่จะค่ะกราบหลวงพ่อ หนูไม่รู้ว่าพ่อหนูเสียแต่หนูไม่ร้องไห้อหนูก็เลยสับสนหนูก็เลยเห็นความจริงก็ไม่จริงมันอ๋อเลยพยายามเล่าความเศร้าขึ้นมาให้ดูดีหนูงงเพราะปกติหนูก็มีเป็นคนที่ขำควรอยู่แล้วอะแต่คนทำไมจริงๆแล้วมันมันเห็นนะคะมันเห็นอย่างเดียวว่าคือมีน้ำตาออกมาแต่มันไม่ร้องอแต่คือคิดอย่างเดียวว่าแล้วใจเราเป็นยังไงอ่ะใจเราคิดว่ามันมันมันมันเห็น มันเห็นสภาวะยิบยิบยิบยิบแต่ว่าหนูคิดอย่างเดียวว่าหนูจะปฏิบัติให้พ่อหนูหนูคิดอย่างนี้ต้องอย่างนั้นสิถึงจะถูกหนูก็เลยมีความรูสึกว่าหนูประสาทเอาไปรู้ไม่หรอกมันเหมือนว่าหนูไม่ไม่ได้เสียใจไม่อะไรเสียใจทำไมเห็นมีประโยชน์เลยไม่เสียใจนะถูกแล้วใจใจนะเขาเอาไ้รู้นะเขาไม่ได้เอาไเสีย แต่หนูเห็นอาการอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนนี้หนูก็เห็นเห<อ>็นว่ามันมันอยู่ที่เบ้าตาแต่<อ>ว่ามันมันมันเหมือนเห็นไหวไหวไหวไหวอย่างนี้นหนูเลยงงก็เพราะให้ไหวไหวอยู่นั่นแหละมันทําให้ความเศร้าครอบจิตได้ไม่เต็มที่<อ>จริงจริงมันก็เศร้าอนะใช่หนูเห็นอื <c oughs> แล้วยังจะมาบอกว่าไม่เศร้าอีกเสารภาพแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่เห็นน้ําตาหนูเห็นคนอื่นเขาร้องเพราะอะไรไม่รอคนน้ําตาไหลไม่จําเป็นต้องเศร้าใจนะ หลวงพ่อก็นั่งแสดงน้ําตาไหลพรากพรากไม่เห็นมันเศร้าเลยข้างในมันขาด้วยซ้ําไปหลวงพ่อนะดูหนังไม่ได้ด้วยไหมดูแล้วเราเราดูลึกไปมันแกล้งทํามันแกล้งโกรธมันกําลังหัวเราะอยู่อย่างเงี้ยนะดูแล้วหาความสนุกไม่ได้เลยเนี่ยไปดูไปเศร้าอยู่แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าไม่เศร้า เครื่องวัดว่าไม่เศร้าคือน้ำตาไม่ยอมไหล อ, อะไรอ่ะก็เลยงง <c oughs> ไปดูต่อไป <c oughs> นะกราบน้ำมสการค่ะรู้สึกว่าเป็นกลางต่อความสุขความทุกข์มากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นอะไรชั่วคราวบ่อยขึ้นนะ ค, คิดว่าน่าจะมาถูกทางไหมคะหลวงพ่อถูกสินะควรคว ร, ควรจะเพิ่มตเติมหรือระวังอะไรไหมคะ เราเราไม่ประมาทหรอกกิเลสมันกลับมาได้อีกนะมันยังไม่หมดทีเดียวหรอกนะเราก็คอยรู้ทันบ่อยๆเห็นไปเลยสุขทุกข์ของช่วคราวดูไปเรื่อยเราคองจิตอยู่ไหมมีบ้างค่ะใช้ได้ที่รู้ทันขอบคุณค่ะน้ัมศการครับหลวงพ่อสงการบ้านในรอบ8เดือนนะครับก็เขาที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปทําต่อเพราะว่า ก็มีการพัฒนาดีอตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าก็มีการพัฒนาเ ห, เหมือนกันเหมือนเดิ ม, มครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปติดในอะไรหรือเปล่าแล้วละเอียดแล้วดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครเกิดตื้อหรือเปล่าที่พัฒนานะ่าดีนะครับทําต่อไปไม่มีปัญหาครับผมขอบคุณมากครับจิตใจมีแรงมากขึ้นไหมมีครับถึงแม้ว่าบางทีทาําสมาธิแล้วทําสมาธิมันไม่เข้าไปสงบลึกแต่ว่า ก็ถือว hmm ่าเป็นการพักผ่อนไปแล้วก็เวลาจิตไหลก็รู veil, ้จิตไหลก็ลงก็กลับก็มาตั้งแล้วมันก็ไปอีกแล้วเอนั่นแหละทําให้จิตตั้งมั่นแล้วมีพลังครับทําไปเรื่อยๆจิตต้องมีพลังจิตต้องตั้งมั่นถึงจะเดินปัญญาได้แต่ไม่ต้องรู้สึกเราต้องรู้สึกว่ามันสว่างข้างในอะไรไม่จําเป็นเราไม่ได้พาวนาเอาสว่างนะครับสว่างเป็นผลปลอยได้อ้โครับขอบพระคุณครับนมรักาการค่ะหลวงพ่อ ปกติเนี่ยจะทุกครั้งที่ภาวนาจะพยายามสํารวจตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วหรือไม่ก็มีเหตุให้ให้รู้สึกว่าเออมันมีการพัฒนาทีละนิดทีละนิ ด, นดแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจิตเกิดสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยวางเนี่ยเราไปยึดเอาที่คือเราไปยึดในความที่เราเราไม่ยึดหรือเปล่า ก็เลยสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรายึดเอาสิ่งที่เราไม่ยึดถ้ายึดนะจิตยังมีภาระอยู่นะจิตมีความทุกข์ถ้าไม่ได้ยึดถืออะไรนะจิตแคเป็นธรรมชาติธรรมดาออตอนตอนที่คือปล่อยวางมันก็จะสบายอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าสบายแล้วเราพอใจในความสบายไหมหรือเป็นกลางตรงนี้แหละที่จะว่าจะติดหรือไม่ติดนะ สมมติว่าเราใจเราโล่งว่างนะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยมีความสุขด้วยแต่เราแอบจินดีพอใจแล้วเราไม่รู้ทันตัวนี้แหละเราติดละมีความสุขเราพาวนาไปเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าจิตไม่ถูกราคาแสกเป็นกลางกับความสุขที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ติดเป็นกลางไหมที่ผ่านมาก็เป็นกลางอะคะ่ะนั่นแหละดีเวลาที่เห็น เ, เวลาที่เห็นความสุข ก็จะเห็นทันแล้วก็ปล่อยวางแต่อยู่ๆก็รู้ออรว่าเออเราถ้าไม่ปล่อยวางนะมันก็จะหลงยินดีนะถ้าความสุขเกิดขึ้นจิตสักว่ารู้ว่เห็นนะแล้วความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันความยินดีหายไปเนี่ยจิตปล่อยแล้วตัวที่ทําให้จิตเข้าไปยึดถือตัวอุปาทานตัวยึดถือตัวอุปาทานคืออะไรตัวอุปาทานคือตัวตัณหาที่มีกําลังแรงกล้า ตัวอยากนั่นแหละตัวพอใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสุขแล้วเรายินดีพอใจแล้วไม่รู้ว่ายินดีพอใจอันนี้ติดอยู่มีความสุขแต่ใจเป็นกลางนะไม่ได้ยินดีถ้ามันจะหายไปก็ไม่เสียดายนะเนี่ยเป็นกลางไม่ติดหรอกอย่างนี้ขอบพระคุณค่ะอยู่ทางนี้กล่าวนมนสักการะหลวงพ่อคือเอ่อ ตอนนี้หนูแบบหนูรู้ว่าหนูไม่มีกําลังแล้วก็เจิตไม่ค่อยตั้งมันแต่ว่ามันก็ฟุ้งลอยอยู่ข้างนอกเหมือนแบบคือคือแบบตอนเนี้ยค่ะหนูหนูรู้สึกว่าหนูเห็นทุกข้างในอ่ะค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็คือกําลังหนูอ่อนหนูยอมรับหนูไม่ค่อยทําสมาธิแต่พอหนูทําสมาธิหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูทําผิดหรือเปล่าคือหนูทำปุ๊บแล้วหนูจะเห็นเหมือนแบบ เหมือนดวงสว่างอะค่ะคุณหลงพ่อแต่แต่หนูก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแต่หนูก็รู้สึกอยู่ว่ารอบข้างผัสสะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พอทําได้ใช่ไหมค่ะได้อย่างนั้นแหละทําอย่างนั้นได้หนูกลัวว่าแบบเราอยาให้จิตเราไหลตามแสงไปแค่นั้นแหละค่ะทีนี้พอนั่งเมื่อก่อนมันจะมันจะไม่ได้มาตรงนี้ง่ายอะค่ะเดี๋ยวนี้พอนั่งแป๊บเดียวเขาก็เข้าไปตรงนี้หนูก็เลยกลัววันจะไปติดก็เลยไม่ค่อยอยากทําทําไปเถอะทำได้นะคะทําได้ค่ะ ติดติดเลยไม่ติดนะมันคือคําตอบเดียวกับหนูเสื้อฟ้านะนะั่นแหะค่ะว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้ายินดีเราไม่รู้ทัน <c oughs> ก็ติดนั่นแหละจ้าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึงคือคือพอหนูพอมีสติหรือมีตั้งมั่นมากขึ้นนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหนูจะเห็นเมื่อก่อนจะเห็นแบบไหวๆข้างในแล้วมันก็จะตัดใช่ไหมคะแล้วมันก็ถีแล้วมันก็ตัดทีนี้หนูเห็นแบบข้างในแล้วมันไม่ คือมันเห็นตลอดเวลาแล้วมันมันทุกข์มันเหมือนมันเห็นก้อนทุกข์หนักขึ้นมากที่หลวงพ่อตอบใครตะกี้ใช่จ้ะว่าเป็นยังไงนั่นแหลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะทีนี้หนูก็รู้ว่าถ้าอย่างงี้แสดงว่าเราไม่มีแรงถ้าเรามีแรงแล้วตั้งมั่นเยอะมันจะมันจะเบาลงหรือเปล่าเจ้าค่ะมันจะขาดเป็นช่วงๆนะถ้าแรงเราไม่พอนะมันก็อ้อยสร้อยอ้อยอิงไหวๆอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะเจ้าค่ะก็ประมาณนี้แต่ว่า หนูไม่รู้หนูไม่แน่ว่าหนูติดอะไรหรือเปล่าที่ทําอยู่นะดีแล้วนะทํามากๆเท่านั้นแหละคือต้องสม่ําเสมอไปก็หัดมารู้กายกับใจจะประจําวันเยอะๆแล้วก็เพิ่มสมาธิตอนระหว่างวันใช่ใช่แต่หนูรู้สึกว่าความทุกข์ที่มันอยู่ข้างนอกมันเหมือนแบบมันก็อินไปบ้างแล้วมันก็มันก็กลับเข้ามามันก็ไม่เข้ามาถึงหนูรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ไปทุกข์ด้วยก็เลยงงตัวเองอยู่เหมือนกันเอาอีกคนละงงตัวเองถ้าใจไม่ทุกข์ก็งงอีกแล้ว ก็ดีแล้วนี่เจ้าค่ะอาวนาไปแต่อย่าให้จิตมันไปติดค้างอยู่ข้างนอกก็แล้วกันนะถ้ามันไปว่างจ้าอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ทวนเข้ามาอย่างนี้มันจะไม่เดินปัญญาต่อหนูก็ว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยเดินปัญญาเพราะว่าไม่รู้กลัวจะไปติดตรงนี้แต่คิดว่าคงไม่น่าติดใช่ไหมเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอกราบน้ำระสกขาหลวงพ่อครับวันนี้จิตส่งออกเยอะครับอืมจิตไม่ค่อยถึงฐานครับ ไกตามข่าวน้ําท่วมอะไรนะตามข่าวน้ําเยอะไปครับโอ้ตอนเลือกก่อนหน้านี้ตามข่าวเลือกตั้งเยอะเนาะเมื่อกี้ออกนอกแล้วนี่ตามข่าวน้ําครับเพราะบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยเหลอต้องตามแต่ทุกวันก็สวดมน์เดินจงกรมทําสมาธิอยู่ครับสวดมน์ไม่ช่วยให้น้ําไม่ท่วมนะเออละล้านกันสวดมน์ให้จิตตั้งมั่นครับเอแต่ว่ามันจําเป็นต้องท่วม ทำไงเรยจะทุกข์น้อยหน่อยครับลำบากน้อยหน่อยต้องวางแผนก็ต้องยอมรสภาวที่เกิดขึ้นครับก็ในระหว่างวันก็ดูกายแล้วก็รู้จิตที่ไหลไปครับก็ไม่ชราตอนนี้จิตมีกำลังไหมครับมีนะแต่มันไม่เข้าฐานครับออกนอกครับต้องเพิ่มเติมยังไงครับก็ ตัดการฟังข่าวบ้างตอนที่มันท่วมแล้วเนี่ยไม่ต้องฟังมากแล้วนะรเราไปดูของเราให้มันเข้ามาก่อนครับวันนี้เรยหนีมาวัดเลยครับก่า <c oughs> บขอบพระคุณครับมีเหมือนกันอนาะทิตย์ก่อนนะ้าจะท่วมบ้านนะมาอยู่วัดนะตั้งหลายวันเนะี่ยกลับไปแล้วหายไปเลยไม่รู้ท่วมไปยัง <c oughs> อ่ะหมดแล้วนะเชิญกลับบ้านขอให้บ้านอยู่รอดปลอดภัยนะ พวกเราไม่ใช่คนรวยส่วนใหญ่นะบ้านเราพังเราก็ลำบากแล้